เป็นคืนพิเศษสาหรับหลายคนเพราะนอกจากต่งตงตงตางๆรอที่จะรอกระทงแล้วก็ยังหวังที่จะดูเหตุการณ์ที่สำคัญที่น่าจะเกิดสักครั้งหนึ่งเนะี่คือจันทรุ ป, ป ร, ราคาแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ นานจะเกิดขึ้นสักครั้งนะโดยเพราะการวีจันทรุปราคาจันทรุปราคากับพระจันทร์เต็มดวงจันทรุปราคานี่ก็มีหลายชื่อนะเช่นจันทรคร า, คาแล้วก็ชื่อโบราณชื่อหนึ่งคือราหูอมจันสมัยก่อนเนี่ยนะเขาเชื่อเลยนะว่ามีราหูจริงๆมนาะ อมจันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพอเกิดเหตุการณ์นี้ผู้คนก็จะพากันตีเกาะเคราะหไม้ส่งเสียงดังจุดประทัดเพื่ออะไรนะเพื่อไล่ลาหูให้คายดวงจันทร์ดวงจันทร์จะได้สว่างเหมือนเดิม เราก็เชื่ออย่างนี้มานานนะว่าดวงจันทร์นี่อับแสงเนี่ยเพราะว่ามีราหูเนี่ยมาอมดวงจันทร์จนกระทั่งเรามารู้นะในช่วงเวลาไม่กี่สิบปีมาเนี่ยนะว่าที่ทดวงจันทร์เนี่ยดับนะหรือว่า มองมันไม่ใช่เพราะราหูจากที่ไหนหรอกนะแต่เป็นเพราะเงาของโลกเราเงาของโลกเรานี่แหละนะที่ไปทําให้ดวงจันทร์นี่อับแสงไม่ใช่ราหูที่ไหนเราก็เพิ่งมารู้นะว่าเนี่ยที่ดวงจันทร์อับแสงเนี่ยมันไม่ใช่เพราะใครที่ไหนเลยนะ แต่เป็นเพราะโลกเรานี่เองหลงไปโทษนะลาหูกันเป็นหลายสัตวรรษทีเดียวแต่ตัวการที่แท้นเนี่ยคือโลกเรานี่แหละซึ่งเราก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้จะ่ว่าไปเนี่ยมันก็คล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวอคนเรานะ เวลามีเหตุการณ์บางอย่างที่มันไม่ปกติหรือที่เราไม่ชอบเนี่ยบางครั้งเราก็โทษคนนั้นคนนี้นะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะเราตัวเรามากกว่าเหมือนกับเรากำลังดูหนังหรือดูสไลด์ในห้องมืดเนี่ย จูๆเนี่ยก็มีเงาเนี่ยไปทาบบนจอทำให้ดูไม่ถนัดทำให้เสียบรรยากาศแล้วเราก็โมโหนะว่าเงาใครมาทำให้จอมันมืดก็ว่า คนนั้นคนนี้นะมาถอยไปนะจะเอาเงามาบังแล้วสุดท้ายก็เพราะเป็นเงาของเราเองนะที่ดันไปไปขวางไปบังเครื่องชายนะเป็นเงาของเราเองนะที่เกิดจากการที่เราเไปบังเครื่องชายเราก็โทษคนนั้นคนนี้เผลอถโทษคนนั้นคนนี้ไปยกใหญ่เลย ถึงค่อยมารู้ว่าเนี่ยเป็นราวต่างหากนะที่มันทำให้เกิดเงาบนจอนั่นนึกเหมือนกับเวลาเราเดินแล้วก็ไปเตะหิน เ, นเจ็บเลยนะแล้วเราก็โทษหินนะว่ามันมาขวางทางเรา แต่ที่จริงเราเป็นพ่อเราต่างหากนะเดินสุ่มซรามแต่น้อยคนนะจะโทษว่าเออเป็นพ่อเราเดินสุ่มซรามส่วนใหญ่ก็ไปโทษหินว่ามาขวางทางของเราจริงมันก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่เล็ก น, นะตอนเด็กๆเนี่ยนะเราเดินเนี่ยเกิดไปสะดุดต๊ นะจนล้มเนี่ยเจ็บนะแม่ทำไงนะแม่เห็นเราร้องไห้แม่ก็เลยตีนะตีโต้เนี่ยโต๊นี่ยนะทำให้หนูเนี่ยล้มเจ็บไอเด็วกว่าถูกปลูกฝังเรื่อยมานะว่าเนี่ยเป็นเพราะโต้เนี่ยนะมันทำให้เราหกลม้ม หรือเมืนกันเด็กเนี่ยที่เดินไปชนตูกระจกนะที่ปิดเอาไว้เด็กไม่รู้นะว่าประตูมันเปิดก็โดนไปชนประตูกระจกอย่างแรงนะร้องไห้แม่นี่เห็นเนาะอยากจะให้เด็กนี่หยุดร้องไห้นะก็เลยตีนะแก้งเป็นตีกระจกเนี่ยว่าเนี่ยทำไมไปขวางทาง ทำให้ลูกนี่ต้องชนกระจกอันนี้มันก็เป็นการสอนนะของผู้ใหญ่เนะี่ที่ทำให้เด็กเนี่ยคิดว่าโอ้ไอ้ความทุกข์ของเราเนี่ยเป็นเพราะสิ่งอื่นจริงแล้วเป็นเพราะโต๊ะเป็นเพราะเก้าอี้หรือเป็นเพราะประตูกระจกต่อไปก็ไปโทษคนนั้นคนนี้ว่าทําให้เราทุกข์ทำให้เราเจ็บปวด อัจารย์ก็ธรรมดานะพอเดินเตะหินเนี่ยนะก็ไปโทษชินนะแทนที่จะโทษตัวเองเม้่มองเรื่องราวหูอมจันร์นี่มันก็อดไม่ได้นะที่ทําให้เราได้เห็นนะว่าเออเป็นเพราะเราไม่รู้นะสมัยก่อนเราไม่รู้เราก็ไปโทษราวหูต่อมาเมื่อเรามีความรู้มากขึ้นเราก็รู้ ว, ว่าเป็นเพราะเงาโลกนี้เองแนหะที่มันไปนบัง ดวงจันทร์หรือที่มันไปทำให้ดวงจันทร์นี้อับแสงหมองมัวหลงไปโทษลาหูต้องนานที่แท้ก็เป็นโรคของเราเองอันนี้เราเลิกโทษราหูไปนานแล้วนะแต่ว่าในชีวิตประจาวันนี่เราก็ยังอดไม่ได้นะที่จะโทษสิ่งนอกตัวโตที่ทำให้เราหกล้ม หรือว่าตักระจกที่ทําให้เราหัวโนหรือก่อนอย่างที่ทําให้เราเนี่ยมีแผลที่เท้าแต่ที่จริงแล้วนะมันเป็นที่เราต่างหากถึงแม้เราจะมีความรู้มากขึ้นนะเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับจันทุ ป, ปรราคาแต่ว่าความรู้ที่ว่านี่มันไม่ได้ช่วยให้เราเนี่ยได้มาเห็นเลย น, นะว่า ไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราหลายครั้งเนี่ยนะมันเป็นเพราะเราเองนะไม่ใช่พ่าสิ่งอื่นเป็นพราะเราซุ่มซ่ามหรือว่าเป็นพราะเราไม่รู้ตัวจึงอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เห็นได้ยากโ <Yeah. S 1> ดยเพราะถ้ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความทุกข์ใจอย่างที่เคยเล่าอยู่หลายครั้งนะ เอเรื่องหลวงปูป่บุตรดาเนี่ยหลวงปู่บุตรดานะไปฉันบ้า น, านโยมที่กรุงเทพแล้วท่านก็เจ้าภาพก็ให้หลวงปูน่นี่พักก่อนนะก่อนที่จะนั่งรถกลับสิงบุรีเมื่อสักห6าปีก่อนนี่มันก็ใช้เวลา เ, เพราะฉะนั้นเจ้าภาพเห็หลวงปู่นี่อายุมากแล้ว ก่อนกลับว้ก็เอลังสักหน่อยหาห้องให้แต่ท่านจำวัดการที่ท่านจำวัดก็มีลูกศิษย์เนี่ยซึ่งมานั่งเป็นเพื่อนเนี่ยก็คุยกันเวลาคุยว่ากระซิบกระซาบเพราะว่าไม่อยากให้เสียงรบ ก, กวนหลวงปู่แต่บังเอิญห้องที่ท่านนอนอยู่เนี่ยมันเป็นมันติดอยู่กับร้านขายของชา เจ้าของนี่เป็นคนจีนเนเป็นอาม่าคนจีนสมัยก่อนเนี่ยปีก่อนนี่เขาก็สวมเกี้ยเวลาเดินโดยเพราะขึ้นบันไดเนี่ยซึ่งเป็นบันไดไม้มก็เสียงดังจยงก็ดังเข้ามาถึงห้องที่หลวงปู่จำวัดอยู่ลูกศิษย์นี่ได้ยินก็ไม่พอใจ มีคนนึงก็ผวันเนี่ยเดินเสียงดังจังไม่เกรงใจกันเลยพูดเบาๆไปหลงปู่ท่านได้ยินนะท่านไม่ได้หลับด้วยท่นก็ เ, เลยปล่อยขึ้นมาวัานเนี่ยขอเดินของเขาอยู่ดีๆเราหัไปลองเกีย้ยเขาเองอันนี้ท่านสอนท่านเตือนสติวันเนี่ยไอ้ที่เธอทุกข์ที่เธอหงุดหงิดนะไม่พอใจเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเสียงเกีย้ยหรอกนะแต่เป็นเพราะ เธอเอหูไปลองเกีย้ยเรื่องอะผู้ใหญ่ก็คือว่าเนี่ยพอไม่มีสติพอไม่มีสติหูก็เป็นหูหาเรื่องอยู่ดีไม่ว่าดีนะเอาหูไปรองเกีย้ยมันก็เลยทุกข์นะลูกศิษย์นี่ไปโทษเสียงเกีย้ยหรือว่าอาซิมนะที่สวมเกีย้ย แต่ไม่ได้ดูตัวเองนะว่าที่แท้เนี่ยเป็นเพราะตัวเองไม่มีสติเอาหูไปรองเตี้ยมันก็เลยทุกข์ก็เลยไม่พอใจให้ความทุกข์ใจคนเราเนี่ยจะว่าไปนี่มันมันไม่ใช่ว่าะอะไรอื่นนะนเป็นเพราะเราวางใจไว้ไม่ถูก เขาพูดอะไรเนี่ยถ้าเราไม่เอาหูไปไปเก็บหรือเอาใจไปผูกติดกับคำพูดของเขาหรือคอยหวนคิดถึงคำพูดของเขาซึ่งเหมือนกับการเอามีดกรีดแทงใจซ้ำแล้วซ้ำเล่า ถ้าไม่ทันเหมือนงันมก็ไม่ทุกกันนะก็พูดอะไรไปก็ไม่ฟังไม่สนใจแต่เพราะใจเราเนี่ยไปจดจอ่อไปคว้าเอาคำพูดหรือการกระทำเนี่ยที่ไม่ถูกใจนี่มาตอกย้ำซ้ำเติมนะจิตใจของตัวเองมันก็เลยเป็นทุกข์ แต่ถ้าคนเราเนี่ยไม่ถือนะนะภาษาไทย เ, ยเราใช้คำไม่ถางเช่นมีคนบ้ามาว่าเราเนี่ยหรือคนเมามาว่าเราเนี่ยนะเราไม่โกรธเราไม่เจ็บเพราะอะไรเพราะเราไม่ถือบางทีเรากาลังซื้อของอยู่ริมถนมนนะมีคนมาชนหลังเราเนี่ยตัวเรา เซเลยนะทีแรกนี่เราโกรธนะหันหลังกลับไปจะว่าลนะหรือจะด่าแต่พอเาพอเราเห็นคนที่ชนเรานี่เขาตาบอดมันยัง้งยังไว้ได้เลยนะไม่ด่าแล้วก็หายโกรธด้วย เพราะอะไรพาเราไม่ถือนั่นก็ปลว่าถ้าถือเมื่อไหรก็ทุกข์ถือเมื่อถือเมื่อไหร่ก็โกรธนะและอะไรที่ถือนะั่นก็ใจเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทุกข์ใจเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะมองออกไปข้างนอกโทษข้างนอก แต่ถ้าเราหันมากลับมามองที่ใจเราเนี่ยมันก็จะพบว่าเนี่ยเหตุแห่งทุกเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราต่างหากนะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะคนนั้นคนนี้ไม่ใช่เพราะเสียงเกีย้ยเหมือนกันที่เราเจ็บเท้าเนี่ยมันไม่ใช่เพราะก้อนหินนะที่วางอยู่บนพื้น หรืออยู่บนทางนะแต่เป็นเพราะเราซุ่มซ่ามเองเดินไปเตะก้อนหินเองในเดินไปเตะก้อนหินนี่มันก็พอจะรู้นะว่าเออมันเป็นเพราะความผิดของเราถึงแม้ว่าหลายคนนี่จะไม่ยอมรับว่าเนี่ยมันเป็นความซุ่มซ่ามของเราแต่เป็นเพราะก้อนหินแต่ว่าหลักฐานมันก็ทนโทษอยู่นะว่าเนี่ยก้อนหินมันอยู่ตรง น, นั้นนานแล้ว เป็นเราเองนะที่เดินไปเตะอันนี้มันเห็นอยู่นะเพราะมันเป็นรองรูปธรรมแต่เรื่องเอาหูไปรองเกีย้ยนหรือว่าเอาเอาใจเนี่ยไปจดจอ่อเก็บเกี่ยวไปคว้าคำพูดคำต่อว่าด่าทอของเขานี่มาทิ่มแทงใจเราเนี่ยมันเห็นยากถ้าไม่รู้จักมองตนนะ มันก็ไม่เห็นหรือถ้าไม่ซื่อสายกับตัวเองมันก็ไม่ยอมรับเพราะธรรมดาคนเราก็มันยากที่จะยอมรับผิดนะยากที่จะยอมรับผิดว่าเนี่ยมันเป็นที่เราเป็นเพราะเราเพราะว่าการยอมรับผิดนี่มันเหมือนกับว่ามันขัดกับดิสัยของอัตตา อัตตานี่มันไม่ยอมนะที่จะยอมเพราะว่าฉันผิดเพราะอัตตานี่มันมีแต่อยากจะแสดงให้คนอื่นรู้ว่าเนี่ยฉันเก่งฉันดีหรือว่าฉันระมัดระวังฉันไม่ซุ้มซ่ามอันหนึ่งต้องอาศัยนะการที่เราเนี่ยต้องหมั่นมองตรงอ้าหมั่นมองตนด้วยความซื่อตรงแล้วก็จะเห็นนะว่ามันมีตัว นอกจากเราวางใจผิดแล้วมันจะมีตัวอัตตาที่คอยโทษคนนั้นคนนี้สันหายเหตุผลก็ อ, อ้างเทียร์โทษว่าฉันไม่ผิดนะคนอื่นผิดตั้งหากแต่ถ้าเรามองกลับมามองตนบ่อยๆนะนะสมก็จะเจอนะเหตุแห่งทุกข์มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ เหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ใจเรา mm hmm. อาจจะเป็นความอยากอาจจะเป็นความหลงอาจจะเป็นความยึดติดถือมัน่นง mm ั hmm. ้นถ้าเรารู้จัก mm hmm. เหตุแห่งทุกข์นะต่อไปเราก็จะหาทางออกจากทุกข์ได้ mm hmm. เหมือนกับที่ถ้ายอมรับว่าเออทิงญหุ่นยิตเพะอคุณไปลองเกีย้ย ต่อไปก็ไม่โทษเสียงเกล่ะแล้วกลับมาดูใจมีสติกํากับหูไม่เอาหูไปรองเกยือหรือผู้ใหญ่ก็คือไม่เอาใจนี่ไปจดจ่ออยู่กับเสียงเกลือหรือในยุคนี้มันไม่ใช่เสียงเกลือแล้วอาจจะเป็นเสียงลิงโทนเสียงโทรศัพท์แต่บางครั้งคนเราก็หาเหตุผลที่จะปลดให้ได้นะเช่นวันนี้เสียงมันดังในเวลาที่ ไม่ถูกต้องดังผิดเวลเวลาดังผิดกาละเทศะก็เลยมีเหตุผลที่จะโกรธเหตุผลที่จะไม่พอใจบางทีเราก็เอาความถูกต้องหรือความไม่ถูกต้องนี้มามารองรับความไม่ถูกใจนะมาเป็นข้ออ้างที่เราจะไม่พอใจข้ออ้างที่เราจะโกรธข้ออ้างที่เราจะด่าว่า อันนี้มันก็เป็นตูวบายของอัตตาเหมือนกันที่มันจะคอยโทษคนนั้นคนนี้มากกว่าที่จะยอมรับว่าเออมันเป็นเพราะเราหลงเราไม่รู้ตัวเราขาดแต่ถ้าว่าเราปล่อยให้อัตตามันครองใจหรือว่าคอยปล่อยให้ กิเลสเนี่ยมันมีข้ออ้างแบบนี้เราก็ทุกอยู่ร่ำไปนะนนจนกว่าเราจะรู้เท่าทันไอตัวอัตตาถูกิเลสมันจะเป่าหูเราอย่างไงเราก็ไม่เชื่อมันจะสัห่หาผลมายังไงเราก็ไม่ฟังเพราะเราเห็ น, นด้วยสติว่าเออมันเป็นที่ความหลงของ เราเองหรือความหมงทิ่ใจถึงตอนนั้นแหละนะั่นที่เราจะ อ, าออกจากทุกข์หรือว่าสามารถที่จะพาใจเนะี่ยออกห่างจากความหงุดหงิดความขุ่นมัวได้แล้วต่อไปเนี่ยถ้าเราหมั่นมองใจมองตนอยู่บ่อยๆเนี่ยมันไม่เพียงแต่เห็นเหตุแห่นทุกข์นะต่อไปมันจะเห็นเหตุแห่งสุขสุขเพราะอะไรสุขเพราะ ปล่อยเพราะวางสุขเพราะมีความรู้สึกตัวปลอดโปร่งโ่งอิสระนะซึ่งแม้มันอาจจะไม่หวือหวามีรสชาติเท่ากับการเสพดูหนังฟังเพลงกินของอร่อยหรือว่าเที่ยวนะอันนี้สุขจากการเสพเนี่ยมันมีรสชาติแต่มันไม่ไม่ประเสริฐเท่ากับความสุขที่เกิดจาก ความรู้สึกตัวหรือจะเรียกวเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบก็ได้แต่ว่าเป็นความสงบที่ไม่ได้เกิดจากการเก็บตัวหรือการหลีกเล่นหรือการปิดหูปิดตาแต่เป็นความสงบที่เกิดจากการที่มีสติ รู้ทันความคิดและอารมณ์ไม่ปล่อยให้ความที่ละอารมณ์ต่างๆมันมาครอบงำแม้กระทั่งเวทนาเกิดขึ้นไม่ไว่าจะเป็นทุกขเวทนาทางกายหรือทุกขเวทนาทางใจก็ก็เห็นมันไม่เข้าไปเป็นไม่ปล่อยให้มันครอบงำอันนี้แหละนะที่เราจะทําจะช่วยเราได้พบ ก, กับความสงบที่แท้จริงหลวงปู่เจี๊ยรัตนพูดดีนะ น่าคิดมาถ้าบอกว่าสงบคนเดียวในที่เงียบเนี่ยมันไม่ใช่ความสงบที่แท้จริงสงบในท่ามกลางความเป็นไปของโลกที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาอันนแหละนะคือความสงบที่แท้จริงสงบคนเดียวนะในที่เงียบเนี่ยมันก็ดีนะแต่มันไม่ใช่ความสงบที่แท้จริงมันต้องสงบ ทำกลางความเป็นไปของโลกที่ไม่ใช่แค่เคลื่อนไหวแต่มางที่มันวุ่นวายนะผันผวนปลุนแปรแต่ว่าใจสงบได้อันนี้เพราะว่ารู้เหตุแห่งทุกนะว่าเหตุแห่งทุกเนี่ยที่ทำอยู่ที่ใจเราไม่ใช่อยู่ที่โลกภายนอกไม่ใช่อยู่ที่เสียงดังไม่ใช่อยู่ที่เสียงประทัด เรารู้มานานแล้วนะว่าพระจันทร์เนี่ยนะมันอับแสงนี่เพราะเงาของโลกหรือโลกของเราเไปทำให้พระจันทร์อับแสงนะไม่ใช่เพราะราหูจากที่ไหนแต่ถ้าเรารู้ต่อไปนะว่าเออในความหม่นหมองในจิตเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพราะถูก ครอบงมด้วยอารมณ์อกุศลใดๆความโกรธความเกลียดความทุกข์ใจจริงมันไม่ได้เกิดจากคนอื่นมันเกิดจากใจที่ไม่มีสติใจที่ขาดความรู้สึกตัวใจที่ไปยึดติดถือมัน่นหรือที่หลวงพ่อหลวงปู่วดานที่เราใช้กำเนี่ยโอ้โหไปรองเกี้ยเนี่ยหรือบางทีก็ไม่ตายจากการที่ เราเหนื่อยเราทุกข์เพราะไปแบกหินท้งด้านหินนั้นเนี่ยมันก็วา ง, วางอยู่บนพื้นแต่เราก็ไปหยิบขึ้นมาเองแล้วเราก็เอามาแบกนั่นเราก็บอกว่าทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินถ้าถามว่าทุกข์เพราะอะไรชายหนุ่มก็น่าจะบอกทุกข์เพราะหินก้อนนี้แหละไปโทษหินนะว่าทำให้ทุกขนะ์ การที่จะมองว่าเป็นเพราะเราไปแบกเอาไว้เป็นเพราะเข้าไปแบกเอาไว้ตัางหากถ้าไม่แบกเนี่ยมันจะทุกข์ไหมถ้าวางหินก้อนนั้นมันก็หายทุกข์แต่ไปเพราะไม่ยอมวางเองไปแบกเอาไว้แล้วก็บอกว่าเนี่ยทุกข์เพราะหินทุกข์เพราะหิน เหมกัที่หลายข่าวเนี่ยนะทุกข์เพราะปัญหาต่างๆมากมายทุกข์เพราะคนนั่นคนนี้ทุกข์เพราะการกระทําคําพูดของเขาบางทีก็ทุกข์เพราะหนี้สินนะซึ่งก็ดูเหมือนมีเหตุมีผลนะแต่ว่าจใจจึงเป็นทุกข์เพราะแบกต่งางหาทุกข์เพราะแบกปัญหาไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางจนกินไม่ได้นอนไม่หลับทุกข์เพราะไปแบกหนี้ศินเอาไว้โดยที่ไม่สังเกตว่าเนี่ย เมื่อใดก็ตามที่เลิกคิดหรือไม่ได้คิดถึงนี่สินนะมันไม่ทุกข์เมื่อใดที่ใจไปเพลิดเพลินกับบางสิ่งบางอย่างไม่ได้คิดถึงปัญหามันก็ไม่ทุกข์นะมันทุกข์เฉพาะตอนที่นึกถึงปัญหามันทุกข์เฉพาะตอนที่คิดถึงนี่สินแล้วก็แบกเอาไว้แทนที่จะใคร่ครวญ น, นะก็กลายเป็นคร่ำครวญเพราะขาดสติแล้วก็โวยบ่นว่วาวายตีโพยตีพาย จริงๆเนี่ยนะนึกถึงได้เหมือนกันนะแต่นึกถึงอย่างมีสตินึกถึงด้วยปัญญามัมนก็กลายเป็นการใคร่ครวนไม่ใช่คร่าครวนหรือว่าถูกมันกระทาไม่ใช่จะว่าปัญหานอกตัวอย่างเดียวนะปัญหาหรืออารมณ์ต่างๆในใจเราก็เหมือนกันความเครียดความกลัวความหงุดหงิดพวกนี้เนี่ยถ้าเรารู้จักเกี่ยวข้องให้ถูกนะ มันก็ไม่ทําให้ทุกข์นะเช่นไม่ไปยึดมันเอาไว้ความโกรธความเกลียดความเครียดแค่รู้ทันเนี่ยมันก็วางแต่เพราะไม่รู้ทันก็เลยไปแบกหรือมิฉะนั้นก็ไปสู้รบตบมือกับมันผักสายมันมันก็ยิ่งทุกข์นะเพราะมันไม่ยอมไปแต่เพียงแค่รู้ทันเท่านั้นแหละนะมันก็ถ้าเกี่ยวข้งองมาให้ถูก รวมทั้งรู้จักใช้มันด้วยใช้มันให้เป็นประโยชน์ใช้มันเพื่อฝึกสติ้ามีคนเนี่ยก็พูดไวด้ดีบอกว่าเนี่ยอารมณ์หรือความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเรามองนะเหมือนช่างปั้นหม้อเนี่ยมองดินหรือดินเนี่ยช่างปั้นหม้อเนี่ยไม่เคยมองว่าดินเนี่ยนะคือปัญหา ช่างปั้นหมอ้อมองว่า ด, ดินเนี่ยคือวัตถุ ด, ดิบที่จะใช้ปั้นหมอ้ออารมณ์ทั้งหลายนี่มันก็เป็นเหมือนวัตถุ ด, ดิบนะอย่ามองว่าเป็นปัญหาแต่มองว่ามันเป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้สร้างสรรสิ่งที่มีคุณค่าสร้างสรรอะไรนะก็สร้างสรรสติใช้อารมณ์พวกนี้มาฝึกสติหรือฝึกขันติก็ได้เหมือนกับที่ช่างปั้นหมอนี่ไม่มองว่า ด, ดินคือปัญหา ทังที่ดินมันก็สกปรกนะีแต่ว่าดินเนี่ยคือวัตถุดิบในการปั้นปั้นหมอ้อทั้งถ้าเรามองอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ทั้งภายนอกภายในนะว่ามันเป็นกับเป็นวัตถุดิบเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้สร้างสารรค์สิ่งต่างๆนอกจากไม่แบกมันแล้วนะก็รู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์ด้วยอย่างที่หลวงพ่อเตือนท่าบอเนี่ยยิ่งคิดก็ยิ่งรู้ ไม่ว่าสิ่งที่คิดหนระือความคิดทีว่าเป็นความฟุงนะ้งซ่านแต่เอาความฟุ้งซ่านมาใช้เพื่อสร้างความรู้สึกตัวเพื่อสร้างสติมันก็ช่างปั้นหม้อที่เอาดินนี่มาขึ้นรูปให้เป็นหม้อเป็นถ้วยนะเป็นภาชนะที่งดงามเราต้องฉลาดนะในการทำอย่างนั้นซึ่งเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักมองตน ถ้าเราไม่มองตนไปโทษสิ่งภายนอกนี่มันก็จะขาดโอกาสที่จะได้เอาสิ่งเหล่านี้เอาอารมณ์เอาโกศเหล่านี้มามาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามซึ่งถึงุนหนึ่งมันก็เป็นอริยศัพ์ได้